ท่านผู้ฟังอยากจะระลึกชาติได้บ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าระลึกชาติได้เนี่ยจะมีผลอะไรบ้างมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อรุ่งเป็นเพื่อนกับคุณวิชัยบ้านใกล้กันเด็กชายรุ่งนี่เกิดมาแล้วมีสัมผัสพิเศษล่วงรู้ใครจะตายเมื่อไร่เขามองเห็นคนนั่นคนนี้ไม่มีเงาหัวหรือบางทีก็เห็นไม่มีหัวเลยทีเดียวแหละ ไัยเด็กเนี่ยเขากลัวคนเหล่านี้มากเห็นหน้าแล้วร้องไห้วิ่งหนีบอกว่าคนเหล่านี้เคยรุมฆ่าเขาในชาติก่อนบางคนเคยทำร้ายเขาเคยทารุณกรรมเขาอย่างรุนแรงเสร็จแล้วรุ่งเนี่ยก็พาคุณวิชัยเนี่ยตอนนั้นที่ยังเป็นเด็กนะไปดูที่เขาเคยโดนฆ่าตายในชาติก่อนเล่าให้ฟังว่าตายยังไง แล้วก็บอกว่าชาติเนี้ยวาระสุดท้ายของเขาก็จะจบลงที่เก่านี่แหละแล้วก็เหตุการณ์มันก็จะคล้ายคลึงกันกับในชาติก่อนนนตนตัวรุ่งเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นผู้กรรมชะตาชีวิตต้องคนในหมู่บ้านเหมือนก็สั่งให้ใครตายก็ได้นะจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเขาเพียงแต่เห็นเห็นแล้วอย่างเห็นคนนั้นว่าคนนี้จะต้องตายคนนั้นจะต้องตายแล้วพอบอกอ่าก็ปรากฏว่าคนคนนั้นน่ะตายไปจริงๆ มันเหมือนก็นสั่งตายความล่วงรู้พิเศษส่งผลกระทบถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนรุนแรงกว่าคนอื่นไม่มีเด็กเล่นกับเขาความจริงรุ่งไม่ใช่เด็กที้เล่นท่าทางเคร่งขรึมเป็นผู้ใหญ่ไม่ค่อยยิ้มเขาพูดแปลกๆอยู่บ่อยๆด้วยบางทีคุณวิชัยก็ไม่เข้าใจคุณวิชัยคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่จะเป็นเด็กข้างในตัวเขาเนะี่ยคงจะเป็นคนที่โตแล้วก็คิดอย่างนั้น รุ่งกช็ชอบชวนคุณวิชัยไปที่เงียบๆสงบๆคนเตือนพ่อแม่วิชัยว่าอย่าให้ไปคบกับเขานะแม่ก็วันใจแต่ว่าพ่อบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายนี่พ่อก็เลยให้คุณวิชัยเนี่ยคบกับรุ่งต่อไปแล้วก็บอกว่าถ้าขืนยังงดย่างเ น, นี้ยอีกหน่อยจะไม่มีเพื่อนเลยพ่อว่าอย่างนั้น เพราะว่าพ่อเนี่ยเคยเป็นเพื่อนรักกับแม่ของรุ่งมาก่อนเขามีครอบครัวเล็กๆมีพ่อกับแม่ก็คือรุ่งกับน้องสาวนะ่ะแต่ว่าน้องเขาตายแล้วน้องตายในพ่อแม่โกรธเขามากว่าทำไมไม่บอกก่อนจะได้ช่วยน้องทันว่ายอย่างนั้นที่คนอื่นน่ะรู้คนโน้นจะตายคนนี้จะตายรู้แต่ที่น้องตัวเองจะตายไม่รู้ว่างนั้นน้องสาวเขาจมน้ําตายที่คลองหน้าบ้า น, เ, นเขาไม่เห็นเขาบอกอย่างนี้ เขาเห็นเฉพาะคนที่เคยทำอะไรกับเขาไว้หรือว่าเกี่ยวข้องกับเขาเขาว่าอย่างนั้นวันหนึ่งรุ่งก็ชวนวิชัยไปตกปลากันที่ลําคลองใกล้บ้านก็เลยไปไปกันแต่ว่าปลาไม่กินเบ็ดก็ย้ายไปตกที่ทุ่งนาตามป่าข้าวที่น้ํากําลังเอ่อขึ้นมาบ้างแล้วข้าวเขียวมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่เต็มนาตอนนั้นบ่ายแล้วตกปลากันอยู่ฝนก็มาฟ้าก็ร้องครืนครืนลมก็พัดแรงอ้าวอยู่ไม่ได้แล้ว ก็พากันวิ่งกลับบ้านกันตัดทุ่งตรงเข้าหมู่บ้านเลยแต่มันคราวเคราะห์หามยามร้ายจริงๆวิ่งมาด้วยกันนั่นแหละรุ่งออกหน้าแล้วก็วิชัยตามหลังเกือบจะถึงโดงไม้หลังหมู่บ้านอยู่แล้วเขาร้องลั่นแล้วก็ลม้มลงคันเบ็ดกระเด็นถังใส่ปลาก็ควม่มก็ถามว่าเขาเป็นอะไรเขาก็มองตามอะไรอย่างหนึ่งที่เลื้อยหนีไปอ่าคุณวิชัยก็รีบมองตามมันเป็นงูเหา่าตัวดาเมื่อมเลยปรากฏว่ารุ่งโดนงูกัดอ่ เสร็จแล้วก็วิชัยก็ช่วยประยุงเขากลับบ้านเพราะพวกผู้ใหญ่รู้ก็ไปตามหมองูมารักษานับว่าชะตายยังไม่ถึงขั้นปรากฏว่ารุ่งยังไม่ตายเขาเล่าเขาบอกว่าไม่เห็นงูเลยวิ่งหนีฝนอย่างเดียวเขาบอกว่าถ้าหากว่าวิชัยไม่ช่วยพาเขากลับบ้านเนี่ยก็คงตายอยู่ที่หลังหมู่บ้านวันหนึ่งรุ่งก็ชวนวิชัยไปที่ลําคลองใกล้บ้านกันอีกเขาก้มมองเงาตัวเองในน้ําเสร็จแล้วก็ตกใจหน้าซีดเจ้า เขาไม่เห็นเงาหัวตัวเองเขาบอกวิชัยอย่างนั้นว่าเขาต้องตายในไม่ช้านี่แหละแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนสิ่งที่เขาพูดมันก็เป็นความจริงเย็นวันหนึ่งฟ้าครึ้มฝนมีคนพบศพของรุ่งนอนจมกองเลือดอยู่ในป่าหลังหมู่บ้านชาวบ้านออกไปหาหน่อไม้ไปเจอเข้าปรากฏว่าเขาตายเพราะถูกตีหัวไม้มาขามเทศดุนเรื่องเท่าต้นแขนตกอยู่ข้างๆ ไม้มาขามเทศรุ่นนี้คนตีในหยิบออกมาจากกองไม้ฟืนในสวนญยอ่อนตรงที่เขานอนตายนั้นเป็นที่เดียวกับที่เขาเคยพาคุณวิชัยไปดูแล้วก็ชี้บอกว่าชาติก่อนเขาตายที่ตรงนั้นแล้วก็ชาติเนี้ยเขาจะต้องตายที่ตรงนี้เขาว่าอย่างนั้นคนที่ฆ่าเขานี่อาจจะไม่ใช่คนเดียวคงจะแค้นเขามากทุบหัวเขาจนกระโหลกยุบยับเยินทั้งที่เขายังเด็กอายุแค่สิบเอ็ดปีเท่านั้นเองมันโหดร้ายเหลือเกิน คนที่โกรธแค้นเขาน่ะมีอยู่หลายคนก็ล้วนแต่เป็นญาติญาติของคนที่เขาเอาทํานายทายทักว่าต้องตายก็ตายจริงๆอ่ะคนพวกนี้มีอิทธิพลมากบางคนเป็นโจรรายพวกนั้นหาว่าที่ญาติตายก็เพราะว่ารุ่งเนี่ยเป็นคนสั่งตายจนกระทั่งพากันเรียกเขาว่าไอ้เด็กผีมั้ยไอ้เด็กปีศาจบ้างว่าอย่างนั้นพอรุ่งตายแล้วคุณวิชัยก็มักจะฝันไปว่าเขามาชวนไปเล่นอยู่เสมอฝันถึงก็ทีไรเขาก็จะพูดว่าเออ่ วิชัยต้องไปด้วยกันนะจะได้เล่นกันไม่มีเพื่อนเลยจะให้เราไปคนเดียวได้ยังไงเราเป็นเพื่อนกันไปไหนก็ไปด้วยกันสิอย่าปล่อยให้เราเหงานะปรากฏคุณวิชัยเล่าให้แม่ฟังแม่ตกใจใหญ่อ่าให้คุณวิชัยรีบใส่บาตร ท, ทาบุญกรวดน้ำไปให้เขาแล้วก็ให้บอกว่าอ่าคุณวิชัยนะไม่ไปเล่นแต่เขาหรอกขอให้ดวงวิญญาณเขาไปสู่สุขติเถ อ, อะอะแล้วหลังจากที่ทําบุญกรวดน้ําอยู่หลายวัน เขาก็เงียบไปแล้วก็หายสาบศูนย์ไปเลยไม่มาให้ใครเห็นอีกเลยมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องท่านูุฟังเกิดขึ้นที่สวนป้าแก้วที่นครปฐมปะแก้วนี่แกมีสวนมะม่วงคนมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กันมากมันมาลักสอยมะม่วงในสวนแกนปะแก้วนี่โกรธมากก็เลยให้หลานชายชื่อสมชายไปคอยเฝ้าดูเวลาที่สมชายไปซุ่มดักรอมันก็รู้แล้วเกินน่ะไม่โผล่มาให้ใครเห็นน่ะ แต่พอเขาเผลอเข้าบ้านมันก็ดอดเข้าสวนไปลักสอยเดีย๋ยวว่าแต่กลางคืนบางทีกลางวันแสบๆมันก็ยังไม่ละเว้นป้แก้วก็เลยบอกกับสมชายบอกว่าอย่าเอามันไว้เลยแะสอยมันให้หมดเถอะแต่มันยังแก่ไม่หมดนะป้าไม่เป็นไรอะ่ะรอแก่หมดมันก็อดกินกันเท่านั้นอไอ้พวกเวนมันเอาไปกินหมดอกร่องซะด้วยหน้าเสียดาย ไอเวรพวกนี้จะป้าตายเมื่อไรกูจะเป็นผีมาหักคอให้ตายหมดโขลงเนียป้าแก้วก็พูดอย่างเดือดดานสมชายก็สอยมะม่วงด้วยตะขอไม้ไผ่ป้าแก้วเป็นคนเก็บมันใส่ตะกร้าไม่ช้ำชอออะไรมากนะมันตกลงมาที่พื้นดินนุ่มมีใบไม้ชุ่มน้ำฝนแผ่ลุมอยู่ใบไม้มันเปียกเหมือนกับเบาะนวมรองไว้เป็นอย่างดีลูกมะม่วงก็เลยไม่ค่อยช้ำ มะม่วงหลายพันธุ์ปลูกเป็นแถวบนคันคูดินมีอยู่สิบประต้นทุกต้นก็ปลูกด้วยมเมล็ดลุงสันเนี่ยซึ่งเป็นสามีป้าแก้วเนี่ยเป็นคนเพาะแล้วก็ขุดหลุมปลูกมันเองแกไม่ได้กินมะม่วงที่ปลูกอะ่ะเพราะว่าแกตายด้วยโรคตับแข็งในวันที่ลมหนาวพัดยอดไผ่ข้างเรือ น, นเอ็นรู่ส่งเสียงค้างหิววิ ว, ว, วลุงสันแกจากไปก่อนมะม่วงติดดอกออกผลเพียงปีเดียว หลังจากมันมีลูกแขวงควายบนต้นป้าแก้วก็เอามะม่วงเหล่านี้ใส่บาดพระแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้หลุงสันในฐานะที่แกเป็นคนปลูกเสร็จแล้ววันนั้นป้าแก้วก็บอ ก, กบสมชัยบอกว่าต้นนี้นะของเรานะสมชายจําไว้นะเดี๋ยวป้าตายเสียจะไม่รู้กันมะม่วงต้นที่สมชัยกําลังสอยอันนั้นปลูกอยู่ปลายสุดคันคู มันจบกับคันคูดินของสวนที่ติดกันคันคูดินมันถูกน้ำฝนกัดเซาะเนื้อดินพังทลายเชื่อมเป็นพื้นเดียวกันอย่างอีกสวนนึงจนดูไม่ออกว่าเขตคันอยู่ตรงไหนถ้าป้าตายนะเองก็ต้องดูแลสวนให้ดีนะหน่อยสมชายนะเพราะว่าหลังจากที่ข้าตายแล้วมันก็ต้องตกเป็นของเองนั่นแหละเสียงนกเล็กๆมันร้องจากป่าอ่าแต่ว่าเสียงที่ป้าแก้วพูดถึงความพลดัพลดพรากชั่วนิรันด์เนี่ย ทำใหสมชายใจคอไม่ค่อยดีทำไมป้าจะต้องรีบพูดถึงมันด้วยอ่ะพูดถึงอะไรก็เรื่องเป็นเรื่องตายที่ป้าพูดตะกี้เนี่ยผมได้ยินแล้วใจคอไม่ดีอ่ะเออคนเรามันเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ทั้งนั้นแหละสมชายเ อ, อ้ยไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสักคนเดียวเห็นไหมไม่ว่ายากดีมีจนให้รวยล้นพ่าขนาดไหนมันก็ต้องไปพอถึงเวลาแล้วมันอยู่ไม่ได้เขาแม่อยู่แล้ แต่ป้าก็ยังไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้ก็พูดเอาไว้ซะก่อนจีคนตายแล้วพูดอะไรไม่ได้อีกแล้วนะป้าบอกให้อืมเอาไว้ให้รู้ป้ามีเองคนเดียวที่จะรับมรดกอะไรต่างๆนั่นนาที่ป้ามีอยู่ป้ามีแต่สมบัติที่จะให้เองนี่สินป้าไม่มีเองสบายใจได้ผมรู้ว่าป้าผมก็จะรักษาสมบัติของป้าเอาไว้ดีที่สุดสุดชีวิตเลยเออนั่นแหละ อีกหน่อยเองก็จะมีลูกมีเมียลูกเมียเองก็จะได้กินกินเข้าไปไม่ลําบากลําบนแต่ผมว่าป้ายัางอยู่กับผมอีกนานป้าเจ็ดสิบปาแล้วนะมันเหมือนไม้ใกล้ฟังเต็มทีแล้วอุ้ยยายแฟงแกแกว่าป้าหนึ่งสิบปียังเห็นจะถือไม้เท้าเดินยักแย่ยักยันไปทําบุญที่วัดได้เลยหลังก็โกงโงงงแต่เาก็ยังไหวอ่ะป้าเองหลังงอนนิดเดียวเท่านั้นไม่ต้องใช้ไม้เท้าด้วยป้าก็ยังแข็งแรง ก็ตั้งแต่ลุงเองตายป้าก็คอยจะคิดถึงมันอยู่เรื่อยไอ้ความตายนะ่ะมันเหมือนกับมันมารอป้าอยู่มองเห็นมันไรๆอย่างนั้นไม่รู้จเป็นยังไงทำใจสบายเถอป้านะก็อยากจะทำอย่างที่เองว่าแต่ป้ามันกะคอยจะฝันโนนฝันนี่อยู่เรื่อยฝันแต่ละทีก็ไม่ดีเลยมันเห็นแต่คนตาย ฝันถึงลุงเองอะบ่อยมากชอบมาเข้าฝันป้าป้าฝันน่ากลัวมากอะัป้าคนน่ากลัวจีฝันว่าลงไปนอนคู่กับลุงเองในโลงผีสมชายอ้าปากค้าคงเลยหยุดสอยมะม่วงมองดูป้าที่ร่างกายผอมสุดสมแก่อยู่ในชุดเสื้อผ้าเก่าๆสีคล้ำขาดวินหน้าตาเหี่ยวย่นสมชายก็นึกสงสาร ป้าอยู่กับลุงมาจนแก่เท่าแต่ว่าไม่มีลูกสักคนเดียวป้าก็เลยขอสมชายมาเลี้ยงแม่ก็ไม่ขัดข้องเพราะแม่มีลูกหกคนผู้ชายสามผู้หญิงสามแต่ป้าเลือกเขามาคนเดียวป้าไม่เลือกพี่ชายหรือว่าพี่สาวของเขาที่ป้าเลือกสมชายก็คงจะเป็นเพราะว่าสมชายเป็นลูกคนสุดท้องแล้วเขาก็ไปมาหาสู่ป้าอยู่บ่อย สมชายเป็นคนเดียวที่มักจะมานอนค้างที่บ้านป้าจำได้ว่ามาทีไรป้าก็ดีใจพูดคุยเสียงดังแล้วก็ทำขนมให้เขากินทุกทีหลายวันผ่านไปป้าไม่ห่วงมะม่วงแล้วสอยลงมาจนหมดบ่มมาไว้ในโอง่งเอากระสอบปิดจะเหลือหลงตาก็ไม่กี่ลูกวันหนึ่งสมชายใช้ขันอลูมิเนียมตักน้ำในโอง่งล้างมือเปือ้อนจากที่ช่วยป้าตัดกล้วยน้ำว้าในสวนหลังบ้านเสร็จแล้ว ป้าก็พูดเรื่องความตายเข้ามอีกเออป้าว่าจะซื้อผ้าขาวมาเตรียมไว้จักผืนนึงสมชายคิดว่าป้าคงจะอยากได้เสื้อตัวใหม่เพราะว่าป้ามีเสื้อเพียงไม่กี่ตัวแล้วแต่ละตัวก็ใช้มานานแล้วบางตัวจําได้ว่าเห็นป้าใส่มาตั้งหลายปีเอาออกมาใส่เฉพาะเวลาจะไปทําบุญที่วัดเออป้าจะซื้อผ้ามาตัดเสื้อหรือป้าเสื้อขาว่มีแล้วแต่จะเอามาให้เขาเย็บ เป็นป้าถุงไว้นุ่งตอนตายสมชายก็จ้องมองป้าป้านั่งชันเข่าข้างหนึ่งก้มหน้าหามากินจากห่อหมากหอหมากเป็นผ้าสีแดงหยิบโน่นหยิบนี่ใส่ปากเคี้ยวต่อมามีอีกวันหนึ่งที่ป้าพูดถึงความตายก็คือวันที่สมชายเห็นป้ามีสีหน้าครุ้นคิดคำหนึ่งป้านั่งยองๆขัดถูขันลงหินด้วยขี้เท้ากับสม้สมมะขามเปียก ลมกำลังพัดผ่านต้นมะนาวข้างรัว้วเวลานั้นพรุ่งนี้วันพระป้าจะไปทำบุญป้าก็เอาขันมาขัดเอ็งมีเมียสักทีจะสมชายเอ้ยป้าอยากจะเห็นหน้าหลานเออครับ้าเอานังเจี๊ยบลูกนางกุหลาบก็ได้ป้ารู้ได้ไงผมชอบเจีบ๊บป้ารู้ก็แล้วกันสวยนะนางคนเนี้ขาวมันแม่มัน พูดจาก็ดีรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไม่เลาะแหละเล้ยวไหลไม่วีดว่ายกระตูวูเหมือนกับคนอื่นเอาไหมอะ่ะเดี๋ยวป้าขอให้แต่งงานกันเองบวชแล้วทหารก็เป็นแล้วแต่งงานเถอะรีบๆแต่งเดี๋ยวป้าจะตายซะ ก, ก่อนแล้วไม่ได้ทันเห็นนี่เองที่ทำให้สมชัยตัดสินใจสละสดเขายอมให้ป้าจัดการให้ทุกอย่างป้านเดียเขามาก ดียิ่งกว่าพ่อแม่พ่อแม่ของเขาไม่ได้ออกเงินงานแต่งเลยไม่ใช่บาทเดียวค่าใช้จ่ายทุกอย่างควักออกมาจากกระเป๋าป้าทั้งนั้นแต่พอแต่งงานเสร็จส่งตัวเข้าหอเรียบร้อยรุ่งเช้าเขาออกมาจากห้องหอป้ายังไม่ตื่นเขาไปดูที่ห้องก็ยังนอนในมุ้งเขาไปปลุกแต่ป้าไม่หือไม่อือแล้วสมชายร้องไห้หูเลยป้าจากไปยังไม่มีวันกลับจากไปยังเงียบๆหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย ชนะสูสบแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวที่สุดความตายก็มาเอาชีวิตป้าไปจริงๆสมชายตัดสินใจบวชหน้าศพให้ป้าทั้งที่เขาเพิ่งจะแต่งงานระหว่างที่เขาบวชแม่ก็มานอนเป็นเพื่อนเจี๊ยบภรรยาของเขาก็กลัวผีกันมากแต่ว่าป้าแก้วไม่มารบ ก, กวนอะไรเขาบวชให้ป้าเป็นเวลาเจ็ดวันก็สึกออกมาในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างของป้าก็เป็นของเขาหมดแล้ว เขาก็ไม่นึกดีใจเขาอยากให้ป้าอยู่ด้วยตลอดไปมากกว่าหลังจากป้าตายเขาไม่ฝันถึงป้าเลยเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณของป้าต้องไปสู่สุคติใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้าเกือบทุกวันบางวันเมียก็เป็นคนใส่หล่อนยกกรวดน้ำให้ป้าเหมือนกันหน้าหนาวผ่านไปอย่างรวดเร็วหน้าร้อนย่างไกลายเข้ามาแทนที่อากาศร้อนจนเหงื่อตก มะม่วงที่ออกช่อท่ามกลางหมอกขาวของฤดูหนาวก็กลายเป็นผลห้อยตองแต่งอยู่ในสายลมร้อนสมชายบอกเมียว่าเมื่อปีกลเขาไปสอยมะม่วงกับป้าแต่มาปีนี้ไม่มีป้าอยู่กับเขาอีกแล้วปีก่อนเนี่ยป้าปวดหัวกับพวกรักมะม่วงเป็นอย่างมากแต่มาปีนี้ป้าไม่ต้องรับรู้อะไรแล้วมีแต่เขาเท่านั้นที่ต้องคอยไปเฝ้ามะม่วงไม่ให้อหัวขโมยมันมารบกวน กลางวันไม่เท่าไหร่แต่กลางคืนนิเปิลไม่ได้พอมะม่วงแก่ใกล้จะเก็บได้คำคำสมชัยก็มักจะออกจากบ้านไปดูสวนพักหนึ่งก็กลับบ้านเขาคอยระแวดระวังอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ไวายโดนเพลียกระสอบลงกลางคืนยังมาดูแต่พอเช้าเข้าสวนอีกทีมะม่วงโดนขโมยไปเหลือแต่ลูกค่อยตองแต่งอยู่บางตาเต็มทีเขาก็เดือดดานทนไม่ไหวตะโกนดา่าเปล่าเปล่าแช่งชักหักกระดูกไอคนที่มันลักมะม่วง ให้มันตายหงวงตายหาทำมาหากินไม่ขึ้นโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าหัวขโมยมันเป็นใครแต่ก็หวังว่าพวกมันจะต้องได้ยินกันบ้างแล้วมันก็คงจะได้ยินจริงๆเพราะว่าสองทั้งวันต่อมาสมชายออกไปสวนตอนค่ําก็โดนมือดีดักตีหัวจนสลบเมือ่อพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองไม่ได้แค่โดนตีหัวเท่านั้นแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวหัวหูโดนพวกมันรุมกระทืบสะบักสะ บ, บ, บอมแทบตายนอนหยอดน้ำเขาต้มอยู่หลายวัน ระหวัางที่นอนสมหลับหลับตื่นตื่นเขาก็รู้สึกว่ามีมือเย็นเย็นมารูบคลำตามเนื้อตามตัวหน้าตาของเขาเขาเข้าใจว่าเป็นมือของเมียแต่พอลืมตาขึ้นมากลางดึกกลับพบว่าเมียนอนหลับอยู่เขากวาตามองก็ไม่เห็นใครได้จะกลิ่นยาลมที่ป้าอชอบกินยาลมยาหอมอะไรอย่างนั้นก็รู้สึกหนาวสะท้านเย็นเยือกหรือป้ามาหาเราคนนึกในใจ ป้าคงจะเห็นแล้วว่าพวกมันทําหลานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ป้าไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเสียผมไม่ยอมแพ้พวกมันหรอกปีนี้มันขโมยได้แต่ปีหน้าผมไม่ยอมมันเด็ดขาดระหว่างนั้นสมชายออกไปดูสวนมะม่วงไม่ไหวกว่าจะก็ยังชั่วมะม่วงก็เกือบจะหมดสวนแล้วค่ํานั้นเขาออกไปสวนอีกก็เดินเดินไปพอเข้าเขตสวนก็มีมือเย็นๆมากระชากร่างเขาบังกับโคนต้นมะม่วง เขาตกใจอ้าปากจะร้องแต่ไม่ทันร้องก็เห็นพวกมันหลายคนชักแถวเข้าไปในสวนเสียงพวกมันพูดกันบอกว่าเร็วเข้าเร็วเข้าเอากระสอบมาด้วยแต่ขออยู่ที่รถเอามาหรือยังเขามองไปก็เห็นพวกมันจอดรถปิกอัพไว้ข้างสวนมันเล่นกันอย่างนี้เลยะเอารถมาขนกันเลยนับพวกมันได้ห้าคนแต่จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านั้นเป็นใครไม่รู้แต่เสียงพูดคล้ายๆเคยได้ยินมาก่อนเขาอยากแสดงตัวแต่มันจะคุ้มกันไหมพวกมันหลายคนนี่เอาเขาตายแน่ แล้วตะกี้มือใครกระชากเขาหลบมือนั้นเย็นชืดเจ้หรือว่าตอนนี้เขาก็คิดถึงป้าป้าแก้วเวลานั้นในพวกขโมยเนี่ยปีนไปขยมบ้างสอยบ้างอีกพวกก็เก็บใส่กระสอบช่วยกันขยันขันแข็งฟังเสียงพูดนี่น่าจะเป็นผู้ชายล้วนๆพวกมันมีไฟฉายแต่ว่าใช้แสงน้อยอแสงไฟนี่น้อยมากอยู่ๆก็มีเสียงร้องลั่น เสียงดังแกรกเหมือนของหนักๆหล่นผ่านพุ่มใบมะม่วงตามมาได้เสียงของหนักตกกระแทกพื้นดินดังอักเสียงโอ้ยอ่าไม่ใช่เสียงเดียวอย่างน้อยสองเสียงเฮ้ยไหวไหมอุ้ยไม่ไหวแล้วกูเฮ้ยช่วยกันเอาไปที่รถแล้วมะม่วงทําไงอ่ะช่างมันเถอะมาช่วยกันนี่ก่อนอู้พ่อตายแล้วหรือไงไม่รู้นอนเงียบเลยพวกมันช่วยกันหามคนเจ็บไปขึ้นรถสมชายก็แอบนิ่งไม่กระดุกกริก เสียงบางคนพูดว่ามีมือเย็นๆกระชากขาทำให้พลัดตกลงมาคู่เดียวพวกมันก็ขับรถออกไปสวนมะม่วงในความมืดเงียบสงัดวังเวงน่ากลัวเหมือนกับสวนรางสมชายก็รีบกลับบ้านเล่าเรื่องให้เมียฟังอดที่จะเอ่ยถึงปัาแก้วไม่ได้มือเย็นๆที่กระชากพวกเขาหลบนั้นถ้าไม่มีมือนั้นกระชากเขาต้องโผล่ไว้ให้พวกมันเห็นเข้า แล้วก็ไม่อยากจะนึกเลย ว, ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเขาจะเป็นยังไงพวกมันคนเล่นงานเขากระอักเลือดตายคาศวนย์อย่างแน่นอนพอเชา้าสมชัยก็ได้ข่าวลุงจวบคนเหนือบ้านขึ้นไปตกบ้านคอหักตายอ่าแล้วลูกชายก็ขาซ้ายหักแขนข้างหนึ่งก็หักด้วยยังมีลูกเขยอีกคนที่สะโพกหลุดนะมันบอกใครๆว่าตกบ้านตายแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกนะ มันโดนถีบลงมาตกมาจากต้นมะม่วงของป้าแก้วนั่นแหละเขามั่นใจว่าพวกนี้แหละคือโจรขโมยมะม่วงเมื่อคืนนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ